ถับคุณว <AN> ิคพดีตอนนี้ก็จะเป็นประจำที่สถานที่ที่ยันนาจะเปรนากาศด้านแล้วก็แล้วก็อากจะให้หลวงพ่อช่วยแนะนำแนวทางปฏิบัติใอการทำตัวและคว็จะทำอย่างไรบ้านโอ้โหหลง่อไม่ค่อยมีความรูมากคช่หือเรื่องฐานโลกการปกครองการคบค้าการคมนี่หน่อยคุณพ่ เพ่อพ อ, พอที่จะมีแนวผมคิดได้แต่จพียงว่าไม่ให้ทุกไม่ให้มีทุกอยู่ที่ไหนก็นโดยไม่ให้มีทุกเท่นั้นเองคือคนั้นเราไปอยู่ที่ไหนถ้าวางตัวไม่ถูกห ล, ลกักเรื่องทุกไปอยู่ทำหน้าที่ทำงานทํางานที่สถานทูนตนะคะก็ทํางานราชการเขียนข่าวเรื่อง างานสถานพูดได้ทํางานด้านไหได้ติดต่อกับคนไทยหรือติดต่อกับชาวเมืองต่างประเทศ น, น, นะค่ะโอ้อคนต่างชาติคนต่างชาติและคนไทยคะ่ะคนไทยไปจาจเมืองไทยต้างไปหาเราครับค่ะใชเมือเอ่อคนทางต่างชาติจะมาเมืองไทยต้องมาหาเราต้องมาหาเราค่ะ เ, เราต้องทําคมสอเข้าใจทั้งสองคนไ้ไปมาให้สะดวก ตรงจึงแบบนี้ก็ด้วยกก็ดีแตเห็๋นะก็เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้คนไู้จักหลอมากขึ้นอันนี้สำคัญเพื่อูดพูดนี่ก็ถ้าพูดอย่างที่ลักพุทธศาสนานะอย่างที่พวกกันศาสนาคิดความถูกในพุทธศาสนาอาจารย์พูดทั้งโลกก็กำลังพูด คนที่ไม่รู้ภาษาจําเป็นต้องไปหาคนที่พูดภาษาให้รู้เรื่องก็เป็นเราพูดใช่ไหม่ะเน่องจากคนจะมาเไทยเนี่ยคนกําลังคนต่างชาขาไมู้ภาษาไทยก็ต้องไปหาผู้พูดกระจายนิเทศบิบายให้ฟังแล้วเมื่อคนไทยจะไปยัง น, น, นอกถ้าผู้ภาษาฝรั่งไม่เป็นก็ไปหาอาจารย์พูดผู้ก็จะได้พูดภาษาให้ฟังนั่นแหละอันนี้ปลอดภัยแต่กยัยทยงที่คนนี้น อย่างที่เราไม่ได้พูดศาสนาอื่นนะพูดศาสนาพิจิตระไม่้พูดนะเขาพูดพ ด, ด้วยพุทธศาสนาโดยเฉพาะแตคิดศาสนาอิสลามศาสนาไม่ต้องพูดเลยเพราะเราไม่รู้เราไม่ฟัพุทธศาสนาคขามีโทษเคาไมีทู <c ười> <c ười> ยังไก็ต้องแปลเพราะคนอินเดียชาวรวเจ้าเป็นคนอืินดียแล้วคนไทยจะรู้ภาษาอินเดียก็ยากต้องจําเป็นต้องแปล คนที่แปลภาษาอินเดียให้มาถูกภาษาไทยให้ตรงนั่ื่อนเนกับพูตด้วยกันตรนี้แล้วนีคนที่จะแปลภาษาไทยให้ไปถูกต้องกับภาษาอินเดียก็ต้องสานานในภาษาอินเดียสานานในภาษาไทยกับแปลเป็นทูตด้วยกันนะฮะแบบส่งภาษาแบบส่งภาษาไม่ใช่ส่งจิตนะส่งภาษาคําพูดสองให้รู้เรื่องเนไหเนี่ยทางธรรมะในหลักพระพุทธศาสนาสอนก็คือ สอนให้คนทําดีทําหน้าที่วางตัวทางกา ย, ยาเรยกว่าฤกษนะทางกายวางตัวให้ถูกห ล, ล, ลักไม่วางตัวถูกหลักแล้วไปอยู่ที่ไหนสังคมไม่รังเกียจไม่วางตัวไม่ถูกหลักแล้วไปอยู่ที่ไหนสังคมรั ง, ม ง, ง, มงเกียจสังคมรังเกียจเขาก็เรียก ว, ว่าทุกภาษาธรรมะภาษ า, าสาวโลกเขาเรียกวอาบัติอาบัติเขาเรียกเป็นกฎหมายเพราะว่าภ<ะ>าษาพระทุกวันนี้เขาเรียก ว, ว่าอาบัติ อาบัตไม่ใช่ไปแตะพกอะไรอาบัตทีต่โยความติเกียนโลกเขาติดเตียนโลกเขาไม่เห็นตัวเราเป็นอาบัตเมื่อพาเขาไปสัพปะตาว่าให้เป็นโปงอาบัตมันไปโปงทำไมโปงไม่ได้ถ้าไม่เลกิกเลิกวางตัวอย่างนั้นมันผิดสังคมคนเลิกอย่าเป็นอาบัตเมื่อเขาเราเลือกจากนี้โลกเขายอมรับอาบัตก็ะตกไปเ ข, ข, นะข้าใจไหมเข้าใจครัรบกฎ้มายเต้องเป็นอ่านวางตัวทูลหลักวางตัวทูลหลักแล้วสังคมเขายอมรับ เมื่อสังคมเขายอมรับเลยกพกเกินดน้อยไปตอนีนอน้การพูดกาเช่นเดียวกันพูดไม่ถูกหลักนั่งมีเหตุผลสังคมเขาตันหนเขาไม่ยอมรับเมื่อสังคมเขาไม่ยอมรับพูดคนเดียวไม่ได้ต้องพูดกับคนพูดกับคนก็ต้องพูดกับสังคมเขาให้รู้เรื่องเมื่อพูดเรื่องนี้เขาไม่รู้จักก็ต้องหาเรื่องมาพูดแต่ความเดียว น, นั่นเองเต้าไม้น่ะคืจะมาแก้ปัญหาเรื่องพ พูดอย่างนี้คนนั้นไม่เข้าใจก็ต้องกลับมาพูดเรื่องนี้จะจะเป้าหมายอันเดียวกันนะด้วยธรรมะแท้นั้นต้องอย่างเดียวกันเนทะ่านั้นคนไทยก็ต้องปฏิบัติเพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องทุกคนจีนก็จะปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาเรื่องทุกไปธรร ม, มาสถานพู ด, ดิั<ต><ต>นก็จะไปแก้ปัญหาเรื่องทุกของคุณ<ต>นี่แห่นสำหรับผู้ที่ดดสำคัญวันนี้พูดอย่างนี้คนนั้ไม่รู้ก็ต้องพูดอย่างนี้เจ็ดพุกคนเดียวกันนั่นแหละทางทางหลวง เราธรรมในหลักปกพระพุทธศาสนาคกทุกเมื่อกันวันนี้พวกเขารู้เรื่องแล้วกันสังคมเขายังนับเองนี่มันแค่ปัญหาเองแล้วมัทนทางใจเใจที่มันนึกมันคิดมันไม่มีตัวตนเพรา ะ, สะแสดงออกไม่ได้พี่ย้อนที่เรางพ่อสแสดงเดวนี่ก็ต้องแสดงมาจากใจใจมันมองเห็นว่าสภาพอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนั้นสภาพอย่างนั้นมันต้องเป็นอย่างนั้นก็ต้องเอาเรื่องนั้นมาพูดให้ฟังคนต้องการความสงบ คนสงบตนเขาจะอุเปกขาอุเปกข า, ปาก็ได้สันติก็ได้ใช่ไหมมันเป็นคําเดียวกันนี่ก็นิพพานกันได้นิพพานก็หมายถึงคมเย็นคนเย็นก็หมายถึงสันติสันติก็หมายถึงคนสงบคนสงบก็หมายถึงอุเปกขามันเป็นคำโยนเราจะพูดว่าสงบคนนั้นเข้าใจกันใช่ไหมอุเปกขาคนนั้นเข้าใจกันได้สันติเขาเข้าใจกันได้แม้จะเขาจะเข้าใจคำไหน นี่คือคนาุคิดเราจะไปดึกที่ไหนก็นต้องเอาเอาให้ผ่านไปด้วยเลยนะอาจารย์ น, นื้อเอาความจริงใจนี่ไปพูดให้คุณฟังคนทุกคนเมื่อเราไม่มีทุกข์แล้วทําการทํางานสะดวกสบายมีพักมีพว ก, ม, พวกมีท้งที่สูกต้องถ้าเรามีความทุกข์ู่แล้วทําการทํางาเดือดร้อเมื่อเราเดือดร้อนเนี่มีแต่พวกที่เดือดร้อนมาอยู่ด้วยกันโลกก็เดือดร้อน้วย เนื้อธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านีนเป็นใสกับชีวิตชีวิตกับธรรมะธรรมะกับชีวิตมันเป็นอะไรเดี๋ยวติดคุณนะครับคำว่าคำว่าธรรมะหมายถึงการกระทํำคำว่าชีวิตก็หมายถึงว่าปกติอย่าให้มันผิดปกติถ้าผิดปกติก็เป็นอาบัติในทางพระพุทธศาสนาทั้งสอง่นั้นเรอยู่ที่ไหนอยู่โดยคนไม่มีโุกนี่เหมือโลกไม่ใช่เหาะอยู่คือครื่องดินคือเนื้ออารมณ์คนเนี่ย สมมติให้ฟังนะเราไปเห็นคนตกน้ําเขากําลังจมน้ำอยู่นี่เราจะไปเอาคนจมน้ำนํำน่เจีะจะไปเอาด้วยวิธีใดถ้าเราไปเห็นคนจมน้ําอยู่เราจะไปแก้ผ้าผัดผ้ า, ผ า, ผานี่ได้ยังจะเอาคนจมน้ําตายแล้ว <c oughs> เป็ น, ย, น, น, นยังไงเนี่ยแต่ว่าเราต้องอยู่เหนือได้พอได้เห็นคนจมน้ําแล้วก็คิดหน้าสุกกระโจนไปเอาเลยกระโจนไปเอาแล้วก็ต้องเปียกผ้าผ้าต้องเปีย เราก็ไปจับจับคนจมน้ำดึงเข้ามาดึงคนจมน้าเข้ามามันยากนะคนจมน้ามันไม่มีกําลังแล้วเนะี่ยเราจะดึงเขาให้เขามารู้เรื่องจิตเรื่องใจใเขาเป็นคนยากจะให้มารู้หลักพระพุทธศาสนานี่ยมีนยากพุทธศาสนาพุทธะนี่คืหมายถึงตัวสติตัวปัญญาตัวสมาธินั่นเองเป็นพุทธะตัวาศาสนาคือตัวคนนั่นเองยกคนไทรจะเป็นาศาสนาทุกคนเป็นตัวาศาสนา ตัวพุทธศาสานาอมีได้หมดทุกคนทางนั้นใช่ไหมถ้าเราไปจับคนจมน้ำนะใครถ้าคนจมน้ามาเกอดเราตายเราจอาให้คนจมน้ามาเกอะเราเราต้องจับเข า, ขาเนื่อคนจมน้ามันจะตายแล้วมันกอดเราเมื่อมันตายแล้ววันนี้มันก็เราแกะมือเขาออกจากเราไม่ได้มันมันแน่นมันตายวันนี้เราก็พอยตายกับเขานี่ใช่ไหมอดูกับโลกอยากจะอยู่กับโล ก, ยย ก, โลกคืออยู่กับโลกเราก็โจนน้าไปไปจับ จะให้เขาจับเราเขาจับเราพอดีมันดึงมาไม่แบบกว้างเราก็ไม่ตายแล้วก็ปลอดภัอันนี้ก็เหมือนกันจะไปแก้ปัญหาของคนแก้ไม่ไหวก็ปล่อยไว้แต่พยายามแก้เท่านั้นเองถ้าว่าเราพยายามแก้ไม่ไหวแล้วเราจะซ้อนเข้าไปแก้เราก็ตายจริงๆนี่พระพุทธเจ้าท่านสอนอยู่ด้วย ส, สติอยู่ด้วยปัญญานี้ด้วย ส, สตินี้ด้วยปัญญาอยู่ที่นี่ไม่หนีไม่สู้ ไม่สู้และไม่หนีแล้วก็อยู่ที่นี่ยืนด้วยสติตลอดไปไปที่ไหนก็รูส้สติตมมจริงว่าเอานิพผานี่ไปด้วยไปที่ไหนเขาพระเจ้าสอนนิพานให้คนไม่ใช่สอนตายเลยสอนที่เมื่อยังมีลมหายใจนี่แหละไปทําการทํางานโดยไม่พบนี่แหละน้อยนิพานจะเป็นรัฐมนตรีก็ได้เป็นตำรวจเป็นทหารเป็นครูโรงเรียนก็ได้เป็นใครๆก็ได้พระจึงแปลผู้สอนคน อันพระอย่างที่หลวงพ่อดีพระสุขคนณสจักรพันเคยบวชตั้งหมบวชเท่าคนมุนระประสิกเครับมันเป็นสมมุติพระจึงมาแปลผู้สอนคนเท่านั้นเองถ้าผู้หญิงสอนคนให้คนทุกข์เขาเป็นพระได้ถ้าผู้หญิงไม่สอนคนก็เป็นธรรมดาเขเป็นผู้หญิงพระก็เหมือนกันถ้าเขาผู้ชายเป็นพระไปสอนคนให้เขาคนทุกข์นั่นก็เป็นพระ ถ้าเ้ยพ่อสายมาบวชเป็นพระถ้าไม่สอนคงกะเป็นพระธรรมดาเป็นพระสมมูมติมันมีสมมุติบัญญัติมีปรามัตดบัญญัติมีอัฐะบัญญัติมีอริยบัญญัติสมมุติบัญญัติได้แก่วโวหารแองสาวโลกอยู่กับสังคมจ้องอยากให้อยู่ทุกข์สมมุติสมมุติเงินนึ่ราคาบาทห น, นึงมันไม่รู้จักทองคาเส้นน้ําหนักบาทนึงราคาทอนทองคํำมันไม่รู้จักแค่สมมติให้มัน คนเราทําดีก็เหมือนกันเราจะไปติดสมมติว่าโอ้คนนี้ทำงานดีนะอย่าไปติดเพียงทําดีเพื่อดีเท่านั้น อ, อือเมื่อเขามายกย่องว่าโอ้คนนั้นทํงานดีล้วไปลืมก็มีโลภะขึ้นมานะ ล, ลืมตัวอะไลืมจิตลืมใจไม่เห็นใจเป็นปกติแล้วพอดีมันก็เพิ่มขึ้นเดียวผิดปกติพ่วมผิดปกตินั้นก็เรียกว่าเป็นบาปแล้วพเพิ่มทำดีก็เป็นบาปพอเพิ่ ม, มทุกข์ก็เป็นบาปเราจะพูดแต่วันนิพพานจริงนิพพานจ้งหวา วเฉยเฉยได้เราเติมมองเห็นใจเราจะเสมอนี่เป็นการปฏิบัติธรรมธรอย่างสูงครับเป็เจ้าธรรสจะทําได้ทุกคนนะอาจารย์พระก็ทําได้ใช่ไหมโยมก็ทําได้ใช่รับผู้หีิก็ทําได้ไหมผู้ชายก็ทําได้ครับเรียนหนังสือมากๆก็ทําได้ใช่ไหมคนเรียนกันรวัวก็ทําได้ใช่ไหมครับคนไม่ได้เรียนหนังสือก็ทําได้ใช่ไหมคนจนๆก็ทําได้ใช่ไหมนี่จะบอกมาเต่งขงขา เป็นของบุคคลผู้ที่รู้เท่านั้นเองจริงป่ะพุทธะจริงแปลผู้พูดตื่นผู้ผผบุกเบิกได้ทำผือศาสนาไหนก็ออกไปใช้เป็นพุทธศาสนาค น, นไม่มีเอ็นกายที่โคตรสั้นเลยครับอยู่ให้เรารู้สึกตัวการทําการพูดถ้าเราไม่รู้สึกตัวการทําการพูดแล้วก็หลงคนหลงนัะปีไว้คือยอกคนหลงตัวลื ต, วล ต, วลตวลัวก็ไม่มีคนรู้อ คนไม่มีความละอายในการทําการพูดกันคิดจะเป็นยังไงเขาก็วสัตว์เสารสัตว์เอกสารมันไม่รู้แต่คนนี้ไม่เป็นสัตว์เอกสารเลยมันใจเป็นใจมันเป็นคนหน้าตาแข้งขามือเท้าเป็นคนใจมันไม่มีคมละอายเรียกว่าสัตว์เอกสารถ้าว่าคนหน้าตาแข้งขามือเท้าเป็นคนพูดแล้วเหตุจิต เ, เห็นใจตัวเองพูดคํานั้นมันจะเิ็นที่เป็นไทยไม่ต้องพูดพูดเอง ข้อเดวคนคนือนกเลือกขัดจัดเอ้าถ้าพูดทำทำมาดูจะทุกัสสารคือมารวมเสียงกันได้ระธมอสสารก็เดิเห็นในการพูดการทําการคิดทุกสัญชาติก็คืเ ล, ลือกละสิ่งที่เหลือได้ไปตัดสัญาตก็หมายถึงคุณมีตาทิ ศ, ทศกูทิศจะตุทัสสารก็หมายถึงมารวมมาคือในข้อเดียวขันห้าลูกเวทนาสัญญาสังขารบิญญากรณ์ห้าขันสี่ไม่ครับว่า เวตนาะสัญญาสังขารญงนขันสาวกว่าอาธิสิทิที่ขาดทีจิตตขาที่ปัญญาที่ขางขันหนึ่งกว่าคือมีติดจิตขึ้นรวกับจิตปญัญญาทนขันเหรันามันเป็นขันเดียมันไม่ได้ให้มั น, มนหมดขันหมดขันหมดขันเข้าไปยุดหนยหมดคนยึดถือทำไมพระพุทธเจ้าสอนเลยเนคือเราหมดคนยึดถือเรียกเป็นยังไงเรืนี้เอาถามเป็นอะไริตใจ สบายดีใส่เสื้อเสร็จไหค่ะเสร็จไหมอเสครับผมนี่อันใส่เสื้อนี่ไปทําอะไรมาไม่ได้ทำอะไรเนี่ย<ห>มันเป็นอย่างนี้จมัน น, นิพพานนะจึงมันมีเดียเนี่ยแต่วคนไม่รู้จักนิพพานจึงไปหานิพพานจะไม่เจอต่หานอกตัวแล้วมันจะมีทําไมจะไปศึกษาเราเรียนที่ไหนก็ศึกษาชีวิจตจิตใจของเรานี่เองนิพพานที่ว่าธรรมะที่ทำให้พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าโดยมีก่อนพระ พ, พุทธเจ้าแต่คนอื่นไปซ่อมฐานอกตัว ก็เลยไม่เจอเพาไปเจ้าก็มาหาในตัวของท่านก็เลยจะอนี่ที่ผ่านนะครัม่มีกพระพุทธเจ้าอันธรรมะเนี่มันก็มีก่อนพระพุทธเจ้าธรรมะคือเราไปค้นพบอันนั้นมันคือตัวสติปัญญาอะไรทิพย์ฐานไม่จึงไม่มีมาก่อนพระพุทธเจ้าธรรมะก็จะมีมาก่อนพระพุทธเจ้าพอดีรู้แล้วก็ติดพระพุทธเจ้าเขาก็สมมุติให้ติตัวพระพุทธเจ้าเน่มีเขาสมมติให้อย่างไรเดยสมมุติเป็นโทษนะ สมมติให้แตเป็นทูตตัวไหนเนี่ยตัวหกตัวคนก็เหมือนเดิ <laughs> มกันเลยเขาไม่สนใจเขาสมมุติเงินทองนี่ก็สมมุติจะเขาให้ขีดถขั้นไปอย่าไปติดแต่ว่าเอาไปโลกมันต้องเอาไปแต่เราไม่ได้ไปแบกไปหาอะไรเลยเขายกให้เป็นอะไรก็ต้องเป็นไปตามนั้นแต่เราไม่ไติดคือออกไปเท่านั้นเองดี <laughs> แล้วไปไป <laughs> บางทีเรงพอไปเทียเ่ยวจนลืเลย <laughs> <laughs> บนหลวงพ่อไปนะ คงจะไปไม่ถึงอไม่มีทุระนะก็ไม่มีทุรัเราก็ตดถ้ามีทุระก็ไปด้ยเป็นลวงพ่จะไปเมืองลาวตกลงจะตกลงจะได้ไปหรือเปล่าคัยังไม่ได้ไปไปก็ได้เมืองลาวใช่ว่าจะไปเย่อมนนี้ก็บางมันเนี่ยว่าคิดว่าจะไปแต่มันไม่ได้ไปคือหลวงพจะไปทาที่เมืองอะไให้มันเรียกร้อยเด่น เราจะไป<ม>ทำเงิน ท, ที่สํานกทัพนี้คนละเรื่องเลยคือหลวพอตัดของน้ำเล็ร้อย้วงตามตัดของน้ำแล้วก็ทาเครื่อนขัน้น้าแลวสร้างผลไม้สร้า ง, งเอาพืชไม่ไมปปลูกเพาะลงเท่านั้นเองมากเพราะรารว่าจะไปจำพรรษาที่ไนตีจะไปสอนคนที่นั้นที่นี่จะให้เพื่อนๆดูที่นี่ดี ที่น ม, มากดันั้นขนก็นไมมากเ่าไหร่ตจะไปขัดทนไนทำน้ำรวนทีนั้นจะไปนั้นาไปเลยก่นกข้นกรกฎาคมเหรอคะที่หลวงพ่อจะไปไ ป, ไปเป็นเมยนะค่ะเป็นเมย์ไปทับนิ่งปั้ น, นไปบอยเนี่ยไปไม่นด้จะไปอยู่จะไปอยู่ัไ ป, ไปตั้งสางตวตอนจะเข้าปีศาจเดือนพฤาจะต้องไปยอยก็ที่นั่นจต้องมาที่นี่า มาทางพี่ก็บผมหมอก็มาดูพี่ผู้ปฏิบัติทางนี้บ้างอก็ต้องบอกว่าในเจนซีเดือนนี้หมอก็ต้องมีงานที่จะดูแลใกล้ซิกเขามากเขาให้มันอยู่ใกล้เขาแต่นี่มาอยู่ใกล้ทางนี้มนกกว่าทางนี้เพราะวันไปสะดวกมาสะดวกกไปอย่มามาวันทิดกลับไม่ได้วันทิศวันทิศมีใจ วันพุธคืออาทิตย์นึงสี่วันไปหลวงพ่อทุกางชางอาทิตย์มั้งคะางคานพุดธสุขอาทิตย์สิกาส4สี่ครั้ก็เดินทางกับไม่ไม่เหนื่อนที่รถ้านั่งรถก็ต้องแปดสูงก็คือในนี่มีเครื่องดินสะพานสูงสูปนง นี่เราเป็นปฏิบัติที่ทำงานทงางนกันดูพยาพยามเผยแรทั้ค่ะเพราะขั้นในกรณีซึ่งคนที่เขามาหาเราเนี่ยเขาก็เดือดร้อนแล้วเขาก็ทุรนทุรายแล้วก็วกคือกระตือรือร้ในความทุกข์ของเขามากอาจจะให้เราทําให้นี่มับางสิ่งเนี่ยเราทำให้มันก็ไม่ได้ถึงที่เขาต้องการเนี่ยเราเอต้องทำยังไงแบบทั้งนี้เขาต้องพูดให้เขาเรู้เรื่องก่อนการทําอย่างนี้มันทําได้ยากแต่ว่าจะได้ไม่ได้อย่างหนึ่แต่เราจะช่วย เราก็ว่าจะช่วยแตจะได้ไม่ได้ยังไม่ไไมีเพราะว่ามันไม่ใช่เราจะมีสิทธิ์ทำคนเดียวได้สิ่งที่เราทําได้ให้คุณคนเดียวเกิดคุณจะไปคิดมากเกินไปแค่คุณคิดมากงานมันก็ไม่สำเร็จถ้าคุณไม่คิดงานมันก็ไม่สำเร็จให้คุณดูว่าถึงเขามาสำเร็จมันจะสำเร็จเองคุณไปคิดมันก็ถูกเข้าาให้ให้เขาพยายามดูเขามาง ถ้าคนไปคิดว่าแต่มุ่งทางงานออกไปนะมันลืมตัวลืมตัวก็ไม่คิดสะสมจะิปผลักขึ้นเมื่อไม่ได้สมกับความประสงค์ของหลักตะคุกมากไม่ว่าอ ย, าาอย่าไปพุดศาสนาเนี่ยคือถึงเวลามันจะเป็นเ อ, องมันจะสู้กักรอบเข้าเนี่ยกรอบเขาจะคอยระวังตัวคำนวณระวางตัวให้เขารู้จักไม่ไม่ได้ไปโกรธเขาไม่ได้ไปยุคย้องเขา ถ้าเข้ามาจะมาให้เราช่วยก็ต้องช่วยช่วยได้แต่คำแนะนํามตอนนั้นอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านก็ช่วยได้แต่เนะนํามโดยเฉพาะผ่านนุกีภาษาบาลีพูดได้ดีอคขาตาโลตถาคตาไม่ได้เลยก็ไม่ได้ผมไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอค ข, ขาตาโลตถาคตาพัฒฐานพจนเป็นจิตเพียงพูดแน้นแนวิธีเท่านั้น การประพฤปฏิบัติน้นเปหน้าที่ของเธออันนี้เราบอกว่าคูณนน่ะมาหาฉันหรือมาหาหนูหรือมาผมอย่าให้ผมทำอย่างนั้นอยากให้หนูทำอย่างนั้นอยากให้ฉัน ท, ทำแต่หนูก็จะช่วยทําแต่ทําได้ไม่ได้ไม่รู้เพราะไม่ได้ไปงานคนเดียวงานทางโลกนะมันก็จะเป็นคนก็ต้องทำเขาเมื่อเขาเห็นว่ามันผิดทัก็ทําทำได้เมื่อเขาเห็นว่ามันถูกต้องทั้งก็จะช่วยจะต้องจะจะช่วยแต่ว่าได้ไม่ได้จะพึ่งพัฒนา เมื่อมันได้มันก็จะได้เองถ้ามันไม่ได้ต่อมันไม่ได้เองก็จะพูดว่าบางวันเขาจะพูดโอ้เขาจะคิดขึ้นมาโอ้ธรรมดางานของโลกมันทําคนเดียวไม่ได้คือหน้าที่อันนี้น่ะมีสิบคนเนี่ยเขาว่าได้สองคนไม่ได้แปดคนมันจะได้ก็มันไปไม่ได้เนี่ยมันต้ออกข้างมากถ้าหากเราได้หกคนไม่ได้สี่คนมันก็กไปได้แต่ต้องพูดให้เขาฟังนะแ่จะช่วย ทัาเพว่ไม่ได้กระจําเป็นให้เขาเข้าใจเออเขาก็จะได้คิดงโลธรรมดาร์เหมือนกันทุกคนนี่เราคุ้มือนกันเมื่อเขาไม่เห็นดีแล้วครัไปไม่ได้างโลกทาธรรมะแล้วคุณต้องทําใจคุณให้มันดีคุณทำใจคุณมันดีแล้วมันไม่ทุกข์แต่ว่าคุณมีเงินร้อยล้านฐานล้านก็ทุกขนะ์นคุณไปหนุ่มนอกมันก็ทุกขนะ์คุณดูกับที่บ้านเราไม่ก็ไม่ทุกข์นะถ้าหาว่าคุณไม่ทุกข์อย่างแต่ไ ป, ไปกะดี เขประสบ ก, การ์ได้เห็นให้คนมาพูดให้ฟังคนไทยไปเยอะในอเมริกาพืนานนะไม่เห็นลูกผ้าเหลืองเลยเข้าไว้ไม่รู้ศาสนาเลยเขาไม่มีศาสนาออยาตเตวะอย่างนั้นอะไรก็จะมารู้ทางอศาสนานะั้นมันเป็นเตรียมศุลกากรหนักสสนองตุภูมนะิเยเขาไม่เห็นผ้าเหลืออันนั้นเป็นสมุดกระดีผ้าเหลือมันรวงตาคุณไว้ คนไทยมันต้องเห็นผ้าเหลืองมันลงมใจวันนี้ซา ป, ประเทศนอกเขาไม่มีผ้าเหลืองเขาก็มีผ้าดำใช่ไหมไม่ยังไงหรือศาสน า, าเขาคืออะไรก็นักเวิร์ดกจะใสีดำนะครับเออสีขาวแต่งสีดำหน้าหนาวก็ใส่สีดำที่ร้อนก็ใส่ <c oughs> สีขาวก็เป็นหน้าวัวของเขาใช่ครับผมแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของเขาใช่ไหมครับอืมศาสนาเขาเป็นว่า <c oughs> สัญลักษณ์เราแต่ว่าตัวพุทธศาสนาเราต้องศึกษา ถ้าเขามาเห็นเมืองไทยได้ถือผ้าเหลืองเขาก็ไม่รู้จักว่าสั ญ, ญลักษณ์เป็นนักบุญของไทยทีนี้เราไปเห็นบ้านเขาเสมือนกั น, นต้องยี่มันมาเนี่ยให้เห็นสีดวงตาไว้ก่อนเห็นผ้าเหลืองโอ้นี่เป็นพุทธศาสนาพอเห็นผ้าดําโอ้นั่นศาสนาเขาเรียกศาสนาคิดศาสนาอิสลามก็คืออะไรเหมือ น, นกันก็ <c oughs> ไม่ได้เป็นสีค่ะแต่ว่าวาดละรื อ, อยอี่เป็นสีเหลื ใกล้ๆกับรงนี่ย้อมคุอ้อะไรนเลยมย้อมแต่นุ่งนต่งตัวคุมผ้าหน้าคุมผ้าขาวะนะครับผมคลุมหน้าปิดตาหมนะคะก็ยังดีเขาได้ไหวอนคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหวบอนอันนั้นมันก็นดีพอให้เขามากีกำลังใจแต่ตัวจริงไม่ต้องไหวอนศักดิ์สิทธิ์อะไรแนะนำเขาแต่ให้เขาไหวบอลอย่าไปตัดเขาไหวบอนแล้วกันดีกันในีวิตแต่ตัวที่จริงเขามาดูใจ แนะนำเรื่องจิตใจเรื่องชีวิตจริงๆเมื่อเขารู้อย่างนี้เขาก็จะมีการเผยแพร่ตัวคนเองคือ่าเผยแพร่คําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้เผยแพร่ละทิศเผยแพร่ให้คนคนพุกต์เ่านั้นเองเข้าใจคําพูนหลวงพว่อ<ๆ>ถ้าเผยแพร่ละทิศคนไม่คนทุกข์กันมัก็ไม่มีไม่มีเรื่องเผยแพร่ให้คนคนทุกเท่านั้นเองคนใดพ้นทุกข์ไปได้นั่นแหละเป็นการเผยแพร่พทุทธศาสนา พูดเื่นี้กับผู้เรื่องบริษัทสีให้ฟังจากเม่อกียเพระว่าพุทธศาสนาจ ะ, จะเจริญงอกงามมั่นค ง, งนก็ต้องอาศัยพุทธบริษัททั้งสีคนคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกมัสสิกามันไมจะเสื่อมก็ต้องอาศัยภิกษุภิกษุณีอุบาสกมัสสิกานี้ไม่ปรากฏไปปฏิบัติตามอนก็ทุกขนั่นเอง น, น, นบริษัทสีก็หมายถึงผู้หญิงกัพผู้สายได้เองภิกษุนีกับผู้หญิง สู่กับผู้สายนี้สองคนเท่านั้นเองเจมบริษัทศีนเข้าใจว่าคนที่รู้ธรรมะคนหนึ่งคนที่ไม่รู้ธรรมะคนหนึ่งคนที่รู้ธรรมะไม่เทศไม่สอนบริษัทนี้คนที่ไม่รู้ธรรมะไม่ไปเทศไปสอนบริษัทมาเนี่คนไม่รู้ธรรมะไม่เทศไม่สอนคนมาเนี่คนรู้ธรรมะแล้วเทศสอนคนเคือมันมีคนหนึ่งไม่รู้ธรรมะเทียบเทศเทียสอนบริษัทน คนนึ่งรู่ธรรมะแล้วไม่เทศไม่สอนบริษัทคนนึ่งไม่ลู่ธรรมะแต่เทศเทศสอนคนคนนึงลู่ธรรมะเที่ยวเทศเทศสอนคนสี่คนเท่านั้นผู้หญิงก็ยังมีบริสัทธ์สี่คนที่ลู่ธรรมะไม่เทศไม่สอนก็ไม่ทําให้พุทธศาสนาเจริญเจริญแกเราแล้วคนอื่นไม่ควรด้วยคนที่ลู่ธรรมะมันเที่ยวเทศเทศสอนตัวเขาจะเจริญตัวคนอื่นจะเจริญนี้คนที่ไม่ลู่ธรรมะไปเทศเทศส่งผิดเพราะเราไม่รู้ คนที่ไม่รู้ไม่เทศไม่สอนไม่ทำจริงคนที่ไม่รู้เชื่อที่จะสอนคุณนี่ทํงานไม่ไม่อื่นใกรใกล้ๆเดิในยเราไปฟังคำพูดของเหมืองยาของมีธุระอะไรพอ่อคะในการที่ทราบสิ่งเหล่านี้นะคะดูก็ทราบมาเป็นจํานวนน้อยมากจะเรียกว่าถ้าหาวกว่จะแนะนำให้เขาไปเลยนะคะในกรณีถ้าสมมติว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยจะเชื่อถือพยายามดึงดันเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้อย่า เราผู้คนจะปล่อยเฉยทิ้งเขาไว้ยังไงก็ไม่ใช่ปล่อยเฉยก็ไม่ใช่ทิ้งจะช่วยแต่ไม่ใช่ช่วยช่วยไม่ได้กับม้เหมือนตอ น, น, นที่หลวงพ่อพูดเมคนจมน้ำถ้ามันมาจับเราเราก็ต้องตายโดยเขาให้ให้เราจับเขาจับเขาไว้พูดให้เขาฟังเขาไม่เข้าใจก็วางเท่านั้นเอ ง, งเท่านั้นเองแล้วจะไปทุกกับเขามันเป็นคําเดียวกันเราวางตัวให้ถูกต้น ถ้าเขามาจับเราก็จะช่วยฉันจะช่วยสนเอเราขับเขาตึงคิดขึ้งอย่าให้เขาจับเราต้องจับเขาเน้เขาเข้าใจเขาที่ว่าอยากให้เขาจับเราจริงๆให้เราจับเขาเราจับเขาเราเดินระวังได้คันถ้าเขาจับเราระวังไม่ได้ทํามากจนได้ยินเลยรับหรือไม่ตายด้วยเขานะพิดก็บพิดด้วยกันอีกสุด้ายเนี่ยไปวก็จะช่วยฉันน่ะฉันเองเหมือนระห่าวเลยเราผิด ถ้าติดตารางก็ต้องติด้วยกั่อนเราไม่บันดเราจับเขาปิดได้สบายนี่เป็นวิธีมันเป็นเทคนิคเราพระเจ้าท่านมีปัญญาสองแตวเราจะเป็นสาวผู้ก็ต้องให้เข้าถึงตัวปัญญาสองคนหลายระดับอย่างที่ผู้เด็คนจุกหน้ามันต้องหายขึ้อมันมีให้ดื้อว่ากำลังไปจับเราแต่กลุ่มกายแล้วมันหวางไม่ได้แล้วจับเขามันตายแล้วางที่อาศัยเราก็ไม่เป็นทิศ จบแล้วเปลี่ยนกันได้ครบีปฏิบัตินี่มันเป็นอีกอย่างนะครับไอการพูดเป็นอย่างหนผมว่าทุกอยนี้พอสี่ันไม่เข้าใจนะครับทีนี้ว่าถ้าต่อมาก็เป็นสามแผ่น ก็มาเก็บสิกขามาเทศิตาศิกษาปัญญาศึกษาม็ก็เป็นคันกันคันครับผตอนนี้มันก็มันไม่ไม่ยึดแล้วมันยึดครับผมแล้วหลังจากนั้นมาก็เป็นขันเดียวขันเดียวก็ได้สองคันแล้วตอนจะบรรยายไปตอนนั้นไงเวลาปฏิบัตินะครับก็มาที่ปฏิบัติถําปฏิสึกในในความรู้สึกนะครับมันก็ต้องไปตามขั้นตอน คพรว่าขันนี่มันไม่ยึดถ้าหากจะพูดถึงธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านนำมาสอนจริงๆมันหมดมันหลุดหมดเหมือนกับที่วายหลวงพ่อเคยพูดอย่างที่เราพูดเอาไว้รู้อย่างไม่รู้เฮ็ดอันรูปแบบเนี่ยเอาสตางค์ลงไปทเรียนมันมันคายไปเลยมันไม่มีขันแต่มันมีขันมีขันถ้ามีขันเนี่ยมันนี่มันไม่มีขันมันลวกไปแต่มันมีขัน มันรู้สิ่งที่รู้เขาเรียกวิญญาณขันเนี่มันรู้นาวิญญาณขันแต่มันไม่มีขันมันมีวิญญาณขันไม่มีเวทนาขันสัญญาขันสังขานขันวิญญาณขันขันมันมีแต่มันไม่มีขันมันมีรู้แต่มันไม่มียึดมันไม่ได้ยึดขันไม่ได้ยึดขันขันเข้าไปยึดเป็นเพียงขันวิญญาณวิญญาณแป็นวันรู้แต่เขาไม่เรียกวิญญาณขันวิญญาณเท่งวิญญาณ ตัวขันมันมีจะไม่มีเรื่ะขันนี่ยใจวันนึงถ้าไม่มีขันกับมีเรา่องอกไเธอมีลูกจะไม่มีขันลูกมันมีอยู่นี่ขันลูกกู้เนี่ยคับเวทนาขันเวทนากู้โอ้กู้สุกนี่ยค่ะมีเวทนาเซ่เซ่ไม่มีขันเข้าใจไหมนี่เนี่ยขันมันยึดไม่มีขันมันไม่ยึดขันมีขันมันไม่มีขันมันไม่พุกคือมาขันเดียวขันเดียวคือมัน มันไม่มีอันเองแบบควบไปร้อยอันพันนะก็เข้ามาทำมันก็ยังยึดอยู่ในขันเดียวนั้นก็อยู่ในขันเดียวนั้นแล้วก็ขันยึดตัวนี้อ่ะตัวยึดนี่แหละในขันปล่อยขันยึดอะไรก็เป็นอันว่าไม่มีขันเดียวนี้ขันเดียวขันรู้นึ่ตัวนี้เป็นปตอนนี้แล้วอาการเกิดดับมันจะเกิดเปอนแบบอาการกระดับอาการเกิดดับพอได้บรรลุปั๊บอาการกระดับก็จะมาเกิดดับแล้วก็หมดเลย แต่ผมแต่มาไปเข้าหลักที่หลวงพ่อรู้เลยนี่คือหลวงพ่อไม่เคยรู้อย่างแบบดูคนคิดอี่าดูมันไม่ยึดไวเข้าไวเข้าคนคิดมันผ่านไปมันไม่ยึดผ่านมันก็มันท่วมขาดไปเหมือนกับเอาลูกเงเจซอยเข้าไปในรูนะที่เข้าไปมันไขคนเดียวคนที่ไขคนเดียวสภาพอากาศเปลี่กันขนลุดอกจกันเลยตอนไม่ติดไัมันขาดกันแล้วเขารโยกอายัดกนนะเห็นอย่าให้มันไปขวับเป็นหญิงเป็นชายเป็น สวยมันไม่มีขันนะมันกับผประยึตถึงแต่ว่ามันไม่มีขันแต่มันมีขันแต่มันมีมีควาลรูมันละอาการกระดับสัตว์การกระดับอาการกระดับหมายถึงขาดนั่นเองไม่ใช่อาการกระดับมันคิดคืออันนั้นมันอาการกระดับของไทยนี่คือมันขาดเมื่อใดนั้นอาการกระดับเมื่อใดมันขาดแล้จะเป็นบุรเหมือนกับสึกใดร้อดเอาไฟจุดตรงการหจุดตรงไม้ไปคนละทางกันเลย เนอมาติกันเลยไม่ถึงกันอันนั้นอาการเกิดได้ในฐานะพุทธศจสนาเมื่อพ่อเคยพูเลยสมัยนั้นผมอยากเอาเงินดึงเข้ามาเนี่ยมันขอนออลมาออกผมไปปุ๊บมัได้ไปพ่อที่ไหนก็ไม่ได้ผลออกมาเลยคือคนนี่มันเหมือนเขายาววัดคนหมดกรรมแล้วไม่ได้เกิดเขาว่าอจะหน้าทำางคนใดยังมีกรรมอยู่คนนั้นต้องเกิดมันจะหมดกรรมทาไหมันก็มันคาดแล้วมันจะมีกรรมอะไรยาววัดพระเนียเจ้านั่นนะ ทำกรรมดีไม่เป็ น, นความชัม่วไม่จ <c> ช <oughs> ิงเพราะมันไม่มีอะไร <c oughs> มันก็มีแต่ตุ๊กตาเท่านั้นเองนั่นเปนมีเท่านั้น อ, นอคนมันต้องเป็นเท่านั้นเจ็ทุกคนต้องเป็นเท่านั้นนะหลวงพ่อยังรับรองได้ทุกคนต้องไปประสบอันนี้ถ้าหากยังไม่าจ็นเดียวนี้เนี่ยจวนจะบุญลมหายใจต้องไปทึ่ น, นต่จต้องฟังให้เป็นไว้ถ้าเรายังไม่เป็นต้องฟังให้เป็นเอาไว้หลวงพ่อเข้าใจอย่างไรเจ็ดหลวงพาะไม่เคยได้ยินตำาราเลย ตอนหลวงพ่อเป็นโอ้ทุกคนต้องมาที่นี่ไม่มาที่นี่ไปไม่ได้ทุกคนต้องมาที่นี่ทีเดียวถ้าจะรู้ธรรมะก็มาที่นี่ไม่รู้ธรรมะก็มาที่นี่รู้ธรรมะก็ต้องตายไม่รู้ธรรมะก็ต้องตายมันต้องตายแท้ๆเลแต่ว่าตายตัวนี้มันตายสำคัญแต่ว่าตายเสียคนตายเนี่ยเรือนึ่งคือกาตายเสียคนตายตายแต่เนยังมีลมหายใ จ, น, จ น, นั่นเป็นคำพูดในการปฏิบัติธรรม ก็เพราเราฟังกันบ่อยๆก็ตนี้เนี่ยโควนทุกยังไม่มีโควนสุกที่ไม่มีทุกไม่มีสุขไม่มีนิพานอย่างที่เราอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยนิพานเนี่ยแต่เราไม่เคยดูใจเรามันเองยังไงไม่เคยดูก็สบายก็สบายอยู่เสมอมันไม่ได้เบิ่งเข้ามาในตัวพอดีเราย่อเข้ามโอมันเป็นอย่างนี้ลักษณะไม่มีทุกไม่มีสุขไม่เดี๋ยวนี้เนี่ยเฉยๆอยู่ลักษณะนี้แหละมันมีอยู่แล้วอันนี้แหละพระพุทธเจาท่างบอกให้อยู่นี่ ตอนนี้เราไปทํางานอะไรก็ทํางานด้วยเฉยๆทํางานไม่หวังอะไรทํางานเพื่องานทําดีเพื่อดีเท่านั้นเองเขาบอกทางานเพื่อ ง, งานทําดีเพื่อดีนี่ยจะจะพูดยังไงทําเพื่อความดีอันนี้เพื่อความดีอันนี้เท่านั้นเองแต่ทุกคนได้มาในโลกนี้เจ้ามาทํางานอันนี้แต่มันอยากได้ดีแต่ไม่ทําดีเนี่ยมันทําเพื่อหวังเอาเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีแล้วเนีคือให้เรารู้สึกเฉยๆแล้วก็ยังทําหน้าที่ของเราต่อไปต้องทำแน่ ความรู้สึกเราได้ขาดจากสิ่งนั้นแล้ ว, ว ม, มันยืเกี่ยวแล้วในงานก็ยังมือต้างหน้าต่งางาทำเดินเ<ะ>ก็ไม่ทเำเขาไม่ได้เลยมันก็ะทิ่งหน้าที่ดิ<ฮ>ลักษณะเราภายนองก็เหมือนเดิมอะไรกันก็ยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมเราทำงานตนามหน้าที่หน้าที่ที่ไม่ได้หน้าที่หน้าที่กับบ้านมันก็พักอย่างที่เมืองไทยเราเนี่ยถ้าคนมีธรรมะมาทุกคนแล้วจะไม่มีตารวจทหารก็ไปเป็นเมืองขึ้นเขาทันทีตํารวจทหารก็ต้องมีที่ขาดปกครอง เออการปกครองประเทศชาตบ้านเมืองต้องมีที่เดยวจะปกครองด้วยสติปัญญานี่ไม่สบายใจอย่างที่พ่อบ้านแม่บ้านเรามีเงินมีทองมากๆนะเอาไปทิ้งมาทางถนนผู้ร้ามันมีเขาไปเอาไปมีก็ได้เราต้องเก็บต้องคกำลังแล้วก็สมมุติเออต้องลกจ้างานไม่ทำงานกันไม่แล้วงานไม่แล้วก็กข้างมื อ, ข, มอข้างมือก็ไปทำงานวันวันไม่จะมาทํานาอันน่าที่จะทําวันนี้กลับไปทําวันที่ทําไม่แล้วหนะึ่งเมื่อก็งานไม่แล้วกั มากขึ้นมากขึ้นกัผลที่สุขเกลิงานหนักหนาหักก็เลย ป, ก, ปกติก็เลยนานกาไม่เดินบ้านมันก็เดืดร้องคือเราต้องทําให้มันแล้วแต่ละวันละวันละวันไปนันเองเราจะไปทํางานพรุ่งนี้ไม่ได้ถ้าทําวันนี้งานวันที่จะมาทําวันนี้ไม่ได้หนุนอดีตอนาคตต้องเอาปัจจุบันเป็นเกณฑ์ไปกำหนดพระพุทธเจ้าท่านสอนเร่างนี้ว่าข้อการที่ยึดสังขารเนี่ยนะคะบางทีนะคะเราก็ยังนะ ลอยจังขาหรืละจังขานยากเพราะรู้สึกเราก็ายังเป็นห่วงไม่อยากให้เราเจ็บเ่วยแล้วเป็นอย่างไงหรือป่วยอยู่มันแค่จะเป็นห่วงไม่อยากให้เจ็บบ้างกันอันนี้คือการยึดใช่ไหมคะเป็ยึด เ, เ, เป็นตามเรื่องของคือว่าเรามีคนจําเป็นเจ็บใครได้ไปต้องไปหาหมอเท่างนั้นเราจะช่วยเราอะไรไม่ได้เป็นหน้าที่ของหมอหมอเขาจะช่วยเราแลาวมอบให้เขาเลยเลยว่าล่างกายเราทั้งหมดเลยมอบให้หมอทั้งหมดเลยเราจะพยายามประคองแต่ไม่มันทุกเท่านั้นเอง อย่าให้มันมีขันก็ไปยืดโอโค่เจ็บแขนเจ็บขาเหนื่อยหนักไมมันก็เพิ่มทุกข์เข้ามาอย่าให้มันเศร้ามันเศร้าไม่ได้เจียวเจียหมอยกินยาต้องกินถ้าเรากินอันนั้นมันควรจะได้ยกเลิกก็คกินไปก็มันไม่ยกเลิกก็เลี่ยงไปจะเพียงบำรุงมันไวเท่านั้นมันไม่ใช่จะหายนะอันนี้หลูงเรไม่ได้เป็นหมอมันไม่ใช่จะหายนะมันต้องประทังมันไว้พื่อเรือเราอสมมติเรือเรือเรามันโทมมันเรียกว่าเหลือหัวหรือยังไงคับท่าน เงินเงนรวมันต้องอุดอุดไม่ไหวก็ปล่อยไปเท่านั้นเองตกอนั้นไม่อุดไม่ได้เลยะคันไม่อุดก็จมไปมันทำอะไรต้องอุดอดกระไม้ถึงบารลุมันไวบรรมันไเมื่อมันอุดไม่ไหวก็จมไปพะแล้วไปคือจะไปยึดจะไปใส่ใจตรันมากแค่ไหนไมใส่ใจมากไม่ได้เป็นกา คนเกิดมาในโลกนี้ไม่มีใครเลยมันไม่ตายตายทุกคนพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีหทิฏตาทิฏเป็นผู้มีให้ว่าเป็นผู้วิเศษเดือโลกก็ตายได้แต่ว่าโลกกายนี่มันเป็นอย่างนี้เนื้อหนังสังขารนี่เป็นอย่างนี้เป็นั่าถ้านเอเปรียบเอาไว้เหมือนกับไม้เนี่ยเอาไปสูงไฟแล้วมันหมดไปหมดไปแล้วก็เป็นเท้าเป็นฐานไปหมดตรงนั้นแล้วจะเอาไาไมมมาเป็นพันุที่ไหนไม่เพราะมันไม่มีเสื้อจัง ที่พูดในอากาศแต่เดมันจะไปหมดกันแลมันไม่มีเสื้อแล้วก็ไม่มีอะไรไม่มีอากาศไม่มีอากาศไม่มีอะไรเลยเดีมันจะมาเกิดทีเหมือนกับไฟเอาไปสูญไปหมดแล้วหมดเสื้อแล้วไม่ฟูกับหมดเสื้อแล้วไฟไม่หมดแล้วแล้วจะเอาฟืนที่ไหนมาเลยมันอันคนนี่ก็เหมือนกันนี่คือมันขาดกันแล้วจะเอาอะไรมามาเกิดเป็นไรมาพุ่งไปไหนไม่มีคนเราไม่รู้อันนี้โอ้ มันพูดยาต้องประสบการณ์เข้ามาแั่นอนใช่ไหจะรู้ลงหน้าไปได้จะคาดคิดแต่ไม่ได้มันต้องประสบการณ์ทำกลมรู้สึกตัวนี่เนี่ยมันจะรู้มันจะไปมันจะไปถึงที่สุดของคุฑได้จริงเมื่อมันถึงที่สุดแล้วมันก็โอ้ลักษณะนี้เท่านี้เองนี่คําสอนของพระเจ้านิดเรื่องอื่นนั่นมันเป็นคําสอนของคนอื่นสอนมาแต่พระเจ้าสอนจุดนี้แหละแต่ท่านว่าเรื่องอื่นกันมดนาโดนจุดนี้เพราะทุกคนมันจะมานี่แต่ ไม่มีทางไปคือทุกคนต้องตายนี่แต่ว่าย่าให้มันมีทุกไม่ใช่ว่าทุกบัจจัยทุกเดียวหนี้นี่นะอย่างที่เขาพูดให้ฟังมีงไม่จักพันล้านกระทบไม่ใช่น้อยนะ <S 2> <S 2> <S 2> อืะ คุณจะจะพันเอาไปซื้ไปบ้านนั่นไหมครับคนทํางานจำปฏิบัติมันก็ไม่ง่ายเหมือนคนอยู่วัดนะครับโนประถมญาคนอยู่วัดไม่มีงานไม่มีคนอยู่วัดมันมีนื้คือว่าพวกนี้คนอยู่วัดไม่มีงานจะมีงานถ้าหักคิดถึงต้องพยายามสอนคนอยู่ในวัดต้องสอนถ้าไม่มาอยู่ในวัดไม่สอนไม่ศึกษาแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรเขาว่าเอาเปรียบสังสมก็ได้อะจริงนะทุกที จะไม่ไม่ได้สอนคนแล้วก็ไม่ได้ศึกษาอะไรกินข้าวหลวงเสียลุงผ้าหลวงเสียใส่ยาหลวงเสียนี่มันได้เสียทำไงเยอะคนทํางานทั้งโลกนะครับว่า ans, ทํางานตัมหน้าที่ทํางานเพื่องานทํางานเพื่อมนุษย์ทํางานเพื่อโลกทํางานเพื่อสันติทํางานเพื่อสงบนี่คือว่าไม่ทำงานกันเดืดร้อนเด็กถ้ารับทุกคนมีงานทําแล้วงานไม่ได้อดรนบ้านหนเดือดร้อนเห็นไหมเดื่องนี้คนมันว่างงานติดติด พันพูดนะครับมันยุ่งขึ้นไปยิ่มากแต่ไม่ต้องพูดะพูดน้อยๆดีก็ทํางานโดยไม่ต้องพูดก็ปฏิบัติได้ได้แต่ว่าน้อยๆแต่ว่าคนต้องรู้ด้วยกันถ้าคนคนทํางานไม่พูดคนที่ไม่รู้เขาไม่รู้จักต้องพูดพูดอย่างเป็นเรื่องสมมุติถ้าคนนั้นรู้จักดเมื่อไหย่ควรจะผลิตภันฑ์คุณอันสลิทคนอันไหนคดีครับผมทำงานอันเดียกันรู้จักงานของเราเราเข้าไปประพูดทํางานไม่ต้องพูดต้องพูด ทำงานของเราเสร็จแล้วก็แล้วจะไปพูดใครพูดแล้วก็ไม่มีเรื่องอะไรใช่ไห ม, มแล้วนคนที่ยังที่หลวงพ่อไปทำงานคันถ้าพวกคุณพวกหนูไม่พูดให้ความรู้เขาจะทํา ง, งานเป็นไหมก็ทําไม่เป็นนะก็จ้องพูดตรงแม่ดังเขาตกคนไม่รู้ตรงแม่นังให้รู้ไปมาพูดเขาว่าพูดคำนี้น ะ, ะมันจริลุ่มกู้เมื่อเราแนะนําแล้วก็มีสองกลุ่มนะคะกลุ่มนี้ก็เชื่อเหมือนกันอีกลุ่มนี้ก็ไม่เชื่อเขาเป็นธรรมชาต คนไม่เช <So> ื <for Tip. S 2> ่อก็ล่อยไปไม่ว่าคนไม่เชื่อนั่นเขาจะดึงเราไปอย่าให้เขาดึงเราไปคืออย่าให้เขาจับเราอย่างที่คุณถ้าเขาจับเราเราลำบากเราจับเขาสบายเมื่อเขาจับเราแล้วดึงเขาไม่เชื่อบรรยายบางทีเขาหาเรื่องให้เราค่ะใช่ค่ะเขาหาเรื่องมาอย่าให้เขาจับเราเพราะคาเดียวมันมันห้วดแต่มันกินคนห้วด คำพูดในหลักของ พ, พุทธศาสนาพูกคําเดียวนนนนนยยแล้วมันกินก้วงไปมากเนี่ยขณะคนมีปัญญาแเราฟังน้อยก้วถ้าคนไม่มีปยยัญญาแเราฟังมากฟังมา ก, มากมถ้าพวเราคือมูัญญาสบายแต่คนที่รู้คนที่ไม่รู้ขัดแยคน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 ให้เขาไม่รู้นะครับเขาไม่รู้เลยเขายังพูดเอาไว้คนเกิดมาระดับสติปเญ็นอย่างนี้ครับบางทีเขาดีเรื่องนั้นเราอาจจะไม่ดีเท่าเขาเรื่องนั้นบางทีเขาไม่ดีเรื่องนั้นเราดีกว่าเขาก็ได้ใช่ว่าถ้าหากรู้จักคิดแต่นิดเดียวจะเลิกกับใช้ได้คือบางทีเขาไม่รู้จริงๆบางทีเขาไม่รู้อย่างนั้นเขาจะอาจจะรู้เรื่องอื่นได้ด้วยเขายังเปรียบไปตัวเอานําคุณกับนำสายผสมค่ะอธิบายให้เขาฟัง คันอธิบายให้ฟังไม่เข้าใจเรื่องระหว่างน้ำตาโดนแก้วน้ํามันคุณมากเปลื่นไปน้ําไสเขาไม่ได้กัดปอนไปคือเราอธิบายให้ฟังน้ำคุณมัก็ค่อยจานออไปน้ําไสก็ค่อยประสมก็ไปมันก็พอไปได้อธิบายก็ค่อยฟังคันอธิบายทงสารสี่ครั้งแล้วฟังไม่รู้เรื่องกับปอนไปน้ำตาเขาใสเรื่องระหว่างไม่ทิ้งสังคมเราก็ไม่ได้ทิ้งแต่ไม่ได้จับเขาไม่ได้เอาเขามาคอนมาดึงไม่ได้ไม่ไั้น ถ้ายัางจะติดตามเขาอยู่เรื่อยไม่ได้จะผิดอย่างที่คนทําผิดเนี่ยไม่ใช่เขาไม่รู้เขารู้แต่รู้อันนั้นเนึ่องว่ามันจะดีเลยมันคอยทําเข้าไปในมันผิดเราก็ต้องระวังทํามองอย่นะี่อันนั้นมาาันจะคุ๊ผิดมันจะซ้อนตัวมไปยังนั้นเขาต้องมองลงอย่างว่าคนผู้มีปัญญาจ้งมองไกลคนมีปัญญาต้องมองมองไกล้ คนปัญญาน้อยตัวมองใกล้เนี่คอือจังหว่าพูดให้ฟังคนมองใกล้คนมองไกลคนรู้เล็วคนรู้ชาเดี่ยวจะคิดปัญญา่เหนือนกันบางทีพูดให้ฟังเข้าเนืเข้าใจบางทีไม่เข้าใจพูดแลายครั้งใดไม่เข้าใจมันก็พอไปบางทีพูดให้ฟังจนตายมันก็เอาผิดกับเราอูกด้วยหาเรื่องงนี้เป็น เคยม้ออธิบายบ้านะคอาจารย์ทีถามแล้วไหมช่วยถามผมขอเสริมนิดนึงฮะคืออย่างเมื่อกี้ที่ว่าเรื่องทำงานนะฮะถ้าทำไปเรื่องทีนี้ผมว่ามันมีมันแตกต่างที่ทําไปเรื่อยๆมันก็คงมีสองแบบอยู่ดีครับแบบหนึ่งทำแล้วไม่รู้จะทาอย่างที่เคยทํา เอกอย่างหนึ่งทำไม่รู้เพื่อนก็เคนสองอย่างนี้ก็าต้องไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนเขาไม่รู้เขาจึงทํำทําแบบไม่รู้แต่รู้แต่มันแบบดไม่รคือเขาไม่มองใครคืออย่างที่เนยรู้อย่างไม่รู้รู้อย่างไม่รู้คือรู้อย่างสมัะธพอจะทําไหมรู้อย่างสมัทมันไม่ใช่รู้อย่างวิปัสนาสมัะกรรมฐานเขาเป็นอุบายสงบวิปัสนาไม่ใช่สงบวิปัสนาเป็นวารู้แจ้ง รู้แจ้งมันจะสงบคันถ้าไม่รู้แจ้งมาสงบไม่ได้คือทํางานทําไม่ไม่รู้ก็ทําไปเทำงานแล้วแก้มันไม่มันไม่ดีคือขันรู้แจ้งก็ทําไปมันรู้งานเนี่ยทำตัวนี้มันต้องคนแก้ตัวเดียวอนรู้แจ้งรู้แจ้งโดยที่วมันจะมาแทรกแทรกไม่ได้เนื้อหนาสงบแบบสมถาัอันนี้สงบแบบวิปัสสนสงบแบบไม่รู้คือทํางานเนี่ยทไปแล้วหน้าที่ทำเนี่ยทําไป เห็นว่าเราปิี่นทำแน่งอันเนี้ต้องทำอันนี้ไปเลยมันผิดก็ทำไปมันก็ผิดไปทำแบบในรู้มันผิดก็ดกจะให้ผมทำยังไงผมทำไม่ได้อย่างที่พูดเมื่อกี้เขาจะให้เราช่วยจะหน้าที่เราจะทำได้นะหน้าที่เราจะทำงานอันนี้เขียนอันนี้เขียนได้เดียวเมื่อเราทำมันผิดเนี่ยเขาไม่เห็นดีเราจะทำไปทำไปก็ผิดอันนั้นทำงานให้มบรรลุยังไงที่พูดเนี่เข้าใจคืออย่างคุณอันสลีคุณเจะจพันคุณอะไรเนะี่นย ว่าให้หนวงพ่อทาอันเนี้ยทำได้เนี่ยทําได้หนวงพ่อทำได้แต่มันทํามันผิดหลวงพ่อไปทํามันไม่ดีหรือไม่ไม่ต่ันท่านหลวงพ่อทำทำแบบไม่รู้เพราะสามผลไม่เห็นดีจะทำมันทําไรทำแต่ความเสียอนี้เมื่อเมื่อทำไม่ได้เราต้องอธิบายให้พวกคุณฟังมันทํำยังไรทําแบบรู้ทำแล้วมันได้ประโยชน์ให้มีค่าีคุณขึ้นมาทำแล้วมันมีประโยชน์ทําไม่รู้เนี่ยมันไม่มีประโยชน์เสียกระดาษเสียมือเขียนลงไปเสียจให้มัน พูดให้เขาฟังเมื่อเขาไม่ฟังแล้วก็เอาไว้ที่นั่นเนะีคุณนะผมไม่มีปัญญาจะทำให้คุณได้แต่ผมทําได้เป็นหน้าที่ของผมจะผมทำํำจะผมทําไม่ได้เพราะเขาอย่านี้มีเขาต้องพูดอย่างนีน้ไม่ใช่เราไม่ช่วยเราช่วยแต่ช่วยในทางที่ผิดก็ไม่ช่วยช่วยในทางที่ได้ทางที่ดีทำทำแล้วก็รู้หลวพอก็หมายถึงว่า ทำไปก็รู้สึกตัวรู้สึกใจรู้ส่ครองด้วยรู้ว่าผิดหรืถูกด้วยเราต้องทำงานผิดค้าทํางานไม่รู้ผิดหรือถูกมันก็เป็นสัตว์คือเป็นสัตว์ไม่ทนนะสัตว์เนี่ยมันรู้จากทํามะแต่มันไม่รู้ในขณะที่มันทําผิดถูกมันไม่รู้คนก็เหมือนกันกําลังทํางานอยู่เนี่ยรู้ว่าทําำไปในขณะทํางานนี่มันผิดมัถูกมันไม่รู้ก็เหมือนกับสัตว์ไม่ใช่ตัวคนผิดตัวใจเป็นที่เราพว่าสัตว์เนี่ยสัตว์ในร่าสารมันเดินได้กินได้จะมันรู้จากว่ามันเดินมันกินได้ มันไม่รู้ว่ากินมันผิดหรือโดยมันผิดหรืออะไรหรือในขณะที่เราทํางานนี่สำคัญเราทําได้เรารู้สึกอยู่เขียนหนังสือจยางนั้นจะรู้สึกว่าทำอันนั้นอันนี้ถูกแต่มันผิดมันถูกไปในขณะนี้เนี่ยมันไม่รู้ตัวนั้นถ้ามันรู้ตัวนั้นมันอยากจะเป็นมนุษย์ถ้ามันไม่รู้นั่นคือว่ามันมันจะเป็นคนจะเป็นสัตว์เลี้ยงคนมันไม่ละอายเลยเราเขีนเรื่องขอละอายแก้ใจมันละอายแก้ใจการจะเขียนหนังสือตัวนี้ไปเนี่ยมันผิดตัวนั้นคุณเรานี้ภาคพวกของแม่เหล็กๆถ้านยังขึ้นทักมาว่า ไม่มีความละอายเขาเป็นสัตว์โดยสารมันมันลึกคาพูดในหลักพระพุทธศาสนาลึกถูกให้รู้จากในขณะทำมองถึงจิตใจเราทำแล้วมันมีประโยชน์ไหมหรือมันไม่มีประโยชน์ถ้ามันไม่มีประโยชน์ก็ไม่มีความละอายทําไปเขาเป็นสัตว์แต่ไม่ใช่คนเป็นใจเป็นเต็มเขาเปรียบเทียบแต่มันสมมติใจไม่มีความละอายนั้นแหะเป็นสัตว์เพราะสัตว์โดยสารมันไม่มีความละอายเขาว่าทํำไม ให้มีความละอายสิ่งที่เราทําูุเขารู้เราจะเขาไปรักของกันไปกินเหล้าไปเป็นอะไรเนี่ยเป็นเล่หกลภานนยในเขารู้นี่จะไม่รู้ว่าความผิดมันซ่อนอยู่นั้นเขาว่าเนื่อว่ามันดีนทําไปมันก็ผิดไปอ น, นุนขวัติว่าสว่าเพาดีจะกินเหล้าอ๋อกินเหล้ามานันให้โทษอย่างไรคนอย่างไงนี่เขาว่าเห็นใจตัวเข า, าเป็นมนุษย์หักห้ามได้ ละอายบางที่ครเจ็ะพูดอันนี้่มันจะผิดครูจะเขียนอันนี้มันจะผิดก็เป็นมนุษย์มีความละอายก็ทัศใจใจคนต่ดคือใจเราไม่รู้ใจเราเนี่ยบ่มันก็ควบคุมตัวเองไม่ได้ตัวเรายิา้ที่ฝึกดีแล้วนําสุขมาให้ท่านว่มันเห็นใ จ, จมันนึกมันไม่มีอื่นไกลในคํว่าพระ ที่เราบอกพรเป็นผู้สอนคนเท่านั้นเองเขาทำผิดแล้วก็สอนเขาก็จะเอาก็เอาไม่เอากขาแล้วไปถ้าเขาไม่เอาบังคับยัดเยียดเขาไม่ได้อีกแล้วเขาไม่เอาในจกรรมยังไงคันถ้าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ต้องไปสอนพระเจ้าัฒ์ได้สิอก็ต้องอยู่ร่วมกันไปอย่างนั้นไงก็นั่งทำผิดไปเรื่อยๆคนสอนก็สอนอยู่เรื่อก็ต้องสอนไปเรื่อยๆแต่ว่ายัดเยียดไม่ได้แพระพุทธเจ้ากับพระเจ้าัตน์อย่างนั้นก็ต้องรู้จักอย่างนี้โอ้คําพูดนี่เป็นหน้าที่พูดเท่านั้นเอง พูดดีพูดดีเพื่อดีเขวาพูดดีเพื่อดีเนี่ยมันจะว่าอย่างไรมันไม่มีคาพูดไม่จิ้มมีคำพูดอะไรมากก็พูดดีเพื่อดีทำดีเพื่อดีเท่านั้นเองพูดดีแล้วคนทำไม่ดีมันก็มีเราพูดให้คนนั้นดีเพรานั้นถ้าเขาไม่ดีก็ยัดเยียดไม่ได้เราจะหาทางลงโทษเขาเล่ะเพื่อจะให้เขาเชื่อฟังลงโทษไม่ได้เราคนลงโทษกันไม่ได้เขาจะโทษเขาเอง โทษเขาก็จะให้เขาเองนะครับเป็นผลที่เขาทําจะได้รักเองเขาจะอ้าวให้มันเป็นอย่างนั้นก่อนเราไปลงโพษเขาเขผิดเราเป็นเรื่องเราผิดเขาเลยเขาไม่เราไม่สามารถที่จะลงโพษคนได้ให้โทษของเขาทำของเขาแหละอย่างเดียวเอาสมุติเราเดินไปเนี่ยน้ำปากเราไม่ใช่เราให้น้ําปักเขาเพราะเขาไปเยียดน้ําเองเขาก็ปากเขาเองไม่เองเขาจะว่าน้ําปักน้ำเสียดน้ำไม่ใช่ว่าเป็นนั่งที่นั้นเรารู้จักว่าที่นั่นเป็นเสียเป็นน้าไปนนั่งที่นั่นเราไม่ได้บอกอย่างนั้น ถ้าคุณเป็นนั่งน้ำคุณมันมาเสี่ยนะมันก็องปักคนที่เมื่อเสียน้ําปักคนนะครับเพราะคุณนั่งที่นั่นก็มีน้ําปักถ้าคุณรู้จักว่าที่นั่นเป็นน้ำแล้วคุณจะเป็นนั่งทำอะแล้วว่าเรารู้จักว่าน้าเนี่ไปน้างที่นั่งเราไปลงโทษเขาเพระเป็นโทษเรบเบี่ยนตนเรียกคนอืเราเห็นว่ามันไม่เป็นเสียเป็นน้ำมาแล้วแต่คุณจะเป็นนั่งนะถ้าคุณทําในนั่งผิดนะบอกเท่านั้นเองแล้วคุณจะทํำไปได้เรื่องของคุณคนทำไปผิดกับคุนปฏิบุติศาลาเมื่อกคุณทำผิดก็ค พ, พ, พววะระเทวทัตพระพุเจ้าบทกว่าเอาไปอย่างนั้นพระเจ้าไม่ได้สอนพระเทวทัตแต่เห็นเองพระเทวทัตก็จโดลงโทษพระเทวทัตเองเพราะคำกรรมนระดับสูันองอ๋อเราที้แน่ได้อย่างเดียวเท่านั้นเองค่งนะไปงลงโทษพระเพื่อพระพยาเจะให้เขากลับมาดึกคิดว่าเราเ ป, ปราถนาดีเลยก็ไม่ได้แต่ได้จ ะ, ะห้ามไม่ใช่ไหมห้ามแต่เราไม่ได้ห้ามมันอย่าไปทำอย่างนั้นเราบอกเขาเน้นในทางที่ดีคืออย่างที่วางกิน พอาค า, าตาโลตทาคตาภาพตถาคตเป็นแต่เพียงพูดแน้เท่านั้นเองที่ทางเท่านั้นเองการกระทํานั้นปเป็นความถูกเธอทําดีมันก็ผลดีเธอทําผิดว่าคนผิดเท่านั้นชั่วทั่กากรรมธรรมนั้นมันผิดดีในกรรมธรรมนั้นมันถูกต้องเท่านั้นเองเธอจะเลือกเอาอยัางไงเพียงว่าแม้จะหนไหนไม่ได้แต่แม้แม้เราเขาไม่ทำเนะไม่ได้คุณไม่ทำอย่างนี้นจะเอาผิดทางไหได้ โอ้ยหลวงพ่อไม่ได้เรียนหนังสือทางโลกมาอันถ้าได้เรียนหนังสือทางโลกมากั้งแเด็อย่างที่เขาเคยพู ด, พดกันเอาไว้อันนี้เป็นเรื่องประหลาปลาดเดี็พกพ่อแม่ครูบาอาจารย์เคยเล่าให้ฟังมีคนคนหนึ่งนึกว่า ม, มีลูกชายคนหนึ่งเกิดมาเราเลีย้ยงใส่พ่อแม่เ น, นี่ยจะคนณดีรักลูกมากเกิดมาก็ไม่เคยใส้ลูกเลยลูกชอบอยังไงเขาต้องให้ไปกัดต่อมาใหญ่ขึ้นมาแล้วก็สอนไม่ได้ มันก็เป็นคนเกย์ไปคนเกย์ก็ต้องกินเหล้าเมาสุราครบอันธับพันไปนะก็เลยไปรักซิ่รักของเขาพอดีรักตำวจก็จับได้จับได้ไปใต้สวนก็ตัดโทษประหารชีวิตเนี่ยพอได้ตัดโทษประหารชีวิตก็เลยฮอกปหารชีวิตแม่พอพอตายแลงไปแม่ก็เลยไปถามทําไมไปฆ่าลูกศรเอ้าไม่ได้ฆ่าทําไมได้เป็นคฆ่าคุณแม่ฆ่าลูกมันจะตายเพียงกฎหมายบอกให้ทำไม่ใช่สารค่ากฎหมายคขาบอก ประห้าซีวิตสันเป็นคนรักษากฎหมายคนได้ไปออกกฎหมายเหาถามไเอาไปถามคนออกกฎหมายทาไมไปออกกฎหมายให้ฆ่าลูกสันไม่ต้องออกกฎหมายฆ่าลูกคุณบอกว่าออกกฎหมายไม่ให้คนทําผิดนี่ครับไมันม่ลูกผมไม่ได้ิดนะไปออกกฎหมายัรือล่าก็เที่ยงกันใจกันมาแต่ไม่ไม่ลงรอยกันนะไม่ใส่บอกออกกฎหมายให้คน่าพระอะไรไปเทศด่ดวกันพระตัวเดียวผู้สอนไม่ได้ฆ่าพระเลย เทียงกันยังสองคนผู้พิพาษาอะไรคนออกกฎหมายน่งยใครเป็นคนออกกฎหมายเรียกว่าใครญาตธรรนมโรฯหลักก็สภาผู้แทนสภาผู้แทนนะครับออกกฎหมายก็เทียงพวกนั้นีนพนก็ไม่ได้ออกค่าขมเทียงกันไปกันมาอะไวนี้พระอะไรมาพระหมายแล้วก็สภาและธรรมนุนสภาผู้แทนสภาผู้แทนมาเลยเชิรมาตัดสินให้ผมเดยายคนนี้ พูดไนรู้เรื่องเลยเนี่ยพรงนั้นเขามันมีธรรมะของใจคนนี้มันนำกำลังมาเพื่อมเลอ๋อไม่ใช่ยังไงกับเราเลยอ๋อไม่ใช่เขาตัดสินไม่ใช่ตัดสินอาหารที่ของคุณมันลูกคุณเขาออกกฎหมายไปแล้ออกกฎหมายค่าลูกคุณท่านนะค่าลูกคุณทําไมว่ะฉันค่าลูกฉันเนี่ยไปตัดล่างลูกโต้คุณไม่สอนลูกคุณนี่ลูกคุณอย่นั้นถ้าคุณเกิดขึ้นมาคุณเกิดขึ้นมาที่ล้วเขานี่คุณต้องสอนเขาตี ออกไปวักเลยลุงแล้วก็เลกผิดใจพระคนจิไม่เข้าวันคนมีอาการาจไม่เข้าวัขวเนะข้าวนงเข้าัน่เานพอี่จะจับต่คน น, น, นั้นไเนี่ยตัวตัวเองฆาตัวเองจะไปหาว่าคนอื่นฆ่าตัวเอ ง, เองทําเทชั่วเรือยๆจะวัดกัดสินว่าอย่างทพวหลวพ่อรื่าคนนี้ตัดสินซื้อให้พระเทวทัตก็พระเทวทัตทำ่า น, นต้องรับคน วันอี้างคนนี้ก็ไม่สอนลกเลยูมันก็ fen. ทำเองนะก็นางคนนี้สร้างคนม้เขาทำเนเขาฆ่าเขาพราขทผิดอื่นจะ่าเขาคนอื่นเขาก็ฆ่าทั้งโลกกิ่กัฆ่าคนด้่าครนี่คำพูดของพ่อแม่ปู่ย่าตายายเคเล่าไห้ฟัง